พิกเวพิกุจิเตจิตานุปัสสีวิหาราตีอิมษสุทั้งหลายส่เป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่นั้นเป็นอย่างไรเราอีดาพิกเวพิกุลิกมุทั้งหลายพิกสุในศาสนานี สาระขังวาจิตังสาระขังจิตตันติปัจานาติรู้จากจิตอันมีราคะก็ตามว่าจิตมีราคะวิตาระขังวาจิตังวิตาระขังจิตันติปาชานาติ รู้จักจิตอันปร า, าจจะราคะก็ตามว่าจิตปร า, าจจะราคะสาโทสังวาจิตตังสาโทสังจิตติปัจจานาดีรู้จักจิตอันมีโทสะก็ตามว่าจิตมีโทสะ วิตถุสังวาจิตังวิตถุสังจิตตนิปัจจานาดีจากจิตอันปราดจากโทสัก็ตามว่าจิตปราจจากโทสักสะโมหังวาจิตังสะโมหังจิตตานติปัจจานาดี รู้จักจิตอันมีโมหะก็ตามว่าจิตมีโมหะวิตาโมหังว่าจิตังวิตาโมหังจิตตันติปาชานาดีรู้จักจิตอันปราจจะจากโมหะก็ตามว่าจิตปราจจะจากโมหะ ดังว่าจีตตังสังจีตตังจีตตันติปาชานาติรู้จักจิตอ่านหดหูก็ตามว่าจิตหดหูวิคีตังว่าจิตตังวิคีตังจีตตันติปะชานาติรู้จักจิตอ่านฟุง้งซ่านก็ตามว่าจิตฟุ้งซ่าน มหาคดังวาจีตังมหาคดังจิตตติปัาชชะนาดีดยอยากจิตที่ได้อารมณ์อันเลิศก็ตามวาจิถึงแล้วซึ่งอารมณ์อันเลิศามาหาคดังวาจิตังามาหาคดังจิตัตติปาัชชะนาดี อยากจิตที่ไม่ได้อารมณ์อันเลิศ ก, ก็ตามว่าจิตไม่ได้อารมณ์อันเลิศสัพตารังว่าจิตตังสาพตารังจิตตันติปะชาณดิอันมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามว่าจิตยามีจิตอื่นยิ่งกว่า อนุตตรังวาจิตังอนุตตรังจิตันติปัชานาติรู้จักจิตอันไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็ตามวา่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าสัมมาหิตังวาจิตังสามาหิตังจิตันติปัชานาติ รู้จักจิตอันตั้งมันก็ตามว่าจิตตั้งมันอาสัมาหิตตั้งว่าจิตตั้งอาสัมมาหิตั้งจิตตันติปะนาติรู้จักจิตอันไม่ตั้งมันก็ตามว่าจิตไม่ตั้งมันวิมุตตังว่าจิตตังวิมุตตังจิตตันติปะชานาติ หลุดพ้นแล้วก็ตามว่าจิตหลุดพ้นแล้วอาวิมุตตังว่าจิตังอาวิมุตตังปัญญาดีรู้จาจิตอันไม่หลุดพ้นก็ตามว่าจิตอย่งไม่หลุดพน้นอิติอาจาตังว่าจิตเตจิตานุปัสสิวิหารตี ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติปิาเห็นจิตในจิตอันเป็นภายในบ้างบาฮิตาวาจิเตจิตนุปัสิวิหารตาียในจิตอันเป็นภายนอกบาง อจจ า, า, าจตตาภิทวจิตตจิตานุปัสสิวิหารติยเป็นภายในและภายนอกบ้างสามุทายธรรมานุปัสสิวัจิตาสมิงวิรติยและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรมอันเป็นเหตุเกิดขึ้นในจิตบ้าง วายะธรรมานุปาสีิวาจิตาสมิงเวระตียเห็นธรรมอันเป็นเห็นเสื่อมไปในจิตบางสามูตายวายะธรรมานุปาสีิวาจิตาสมิงเวระตียเห็นธรรม เกิดขึ้นและเสื่อมไปในจิตบางอาทิจิตันติวาปน า, าสสติปัจจิตาโหติก็แหลสติคือความระลึกว่าจิตมีอยู่ดังนี้ของเธอนานเป็นสติที่เธอดำรงไว้วันเทวญ า, านามตาตยาเพียงเพื่อรู้ ปฏิสติมาตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิโตจาวิหารดาีที่แท้เธอเป็นผู้ที่ดันและที่ทีอาศัยไม่ได้น่าจะกินจีโลเกอุปาธิอาิเธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เอวังโคพิขาเวพิกุจิเตจิตานุปัสสีวีภิกษุทัาหลายอย่างนี้แหลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่